อนาปติวานภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1183 1. พิภิกษุณีผู้เป็นไข้ 2. ภิกษุณีผู้ใช้ร่มในอารามหรืออุปจารแห่งอาราม 3. ภิกษุณีผู้มีเหตุขัดข้อง 4. ภิกษุณีวิกลจริต 5. ภิกษุณีต้นบัญญัติสิทธาบทที่หนึ่งจบ